วันนี้ตรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายในวันก่อนธารมาได้นำเรื่องของนางาวิสาขานะซึ่งนางก็ได้ลืมเครื่องประดับมห่อระดานาาประสาทไว้ที่วัดนางให้คนใช้ไปเอาแต่พอดีท่านพระอานุนท่านเก็บไว้แล้วนะเก็บไว้ ก็คือว่าเก็บไว้เพื่อให้เจ้าของเขามาเอานั่นแหละแต่นางคิดว่าสิ่งใดที่พระผู้เป็นเจ้าจับต้องแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะเอามาใช้อีกไม่อยากจะเอามาประดับอีกนะนางก็เลยคิดถวายของนั้นให้แก่พระให้แก่วัดไปเลยแต่นี่ของนั้นมันเป็นเครื่องประดับที่ประกอบด้วยเพชรนินจินดามากมายนะไม่สมควรที่พระจะเก็บไว้นางก็เลยเอาไปขายยม พอไปขายก็ไม่มีใครซื้ออีกนะฮะเมื่อไม่มีใครซื้อนางก็เลยซื้อเองอยองพอซื้อเองก็ได้ทรัพมาถึงเก้ากดกับ1นึ่งแสนนะไปทูลพระพุทธเจ้าว่าจะเอาทรัพเหล่านี้ไปทำอะไรพระพุทธองค์ก็ทรงแนะว่าควรจะสร้างวิหารถวายส่งนะนางก็เลยาหาที่ที่จะ สร้างวิหารถวายสมโดยการซื้อที่ใช้ใช้เงินนั้นนะโยมเงินที่ขายเครื่องประดับมหารดารปราสาทนะ9โกนะ่ะซื้อที่มาได้9โกนะอันนี้ก็สร้างเรีานาชนะกุติวิหารอะไรต่างๆอีก9โกนโยมก็รวมเป็น18โกดแล้วนะอันนี้ในวันนั้นในช่วงที่นางกำลังสร้างบุพารามเพื่อเป็นวัดนะ่ยนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยพระองค์จะทรงเสด็จไปโปรดภัทยากุลบุตรซึ่งเป็นลูกเศรษฐีพระองค์ก็จะจาริกไปทีนี้นางวิสาขาเองก็โอ้ตกใจเล็กน้อยนะกำลังจะสร้างวัดถวายพระพู้ไดเจ้าอยู่พระองค์กลับเสด็จไปสู่ที่จาริกเนี่ยก็เลยมาทูลให้พระองค์ทรงกลับพระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่ายังไม่ใช่เวลากลับนะญาญุมก็ ได้ฟังมาถึงตรงนี้นะโยมนะว่าพระองค์ทรงตรัสตอบนางวิสาขาไปว่านี้เป็นการไปยังไม่กลับวิสาขานะอันนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรย่าโยมลองฟังต่อนะนางวิสาขานั้นคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเห็นใครๆผู้สมบนรด้วยเหตุเป็นแน่ จึงกราบทูลว่าถ้ากระนั้นขอพระองค์โปรดรับสั่งให้ภิกษุ ร, รูปหนึ่งผู้เข้าใจการงานที่หม่อมฉันทําแล้วหรือยังไม่ได้ทํากลับแล้วเสร็จเถิดพระเจ้าค่ะก่ อ, อถ้าพระองค์ไม่ทรงกลับก็ให้ภิกษุ ร, รูปใดรูปหนึ่งที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนะวัตกรรมการก่อสร้างเนี่ยกลับไปช่วยดูแลด้วยอะไรอย่างนี้นะดูแลการก่อสร้างวิหารบุพารามโยมพระศา ส, ะสดาตรัส ว่าเธอพอใจภิกษุรูปใดจงรับบาตรของภิกษุรูปนั้นเถิดวิสาขาเรียกว่าอยากให้ภิกษุรูปไหนมาดูแลการก่อสร้างเนี่ยก็ไปนิมนต์ท่านรับบาตรท่านไม่เลยแม้นางวิสาขาจะพึงใจพระอนนเทเถระก็จริงแต่คิดว่าพระมหาโมคราณะเถระเป็นผู้มีฤทธ การงานของเราจักสำเร็จการงานของเราจักพรันสาเร็ จ, จแสดงว่าการสร้างวัดบุพารามในครั้งนี้ต้องอาศัยอิทธิฤทธิ์ของผู้มีฤทธิ์ช่วยโยม <c oughs> จึงจะเสร็จไหวนะก็เพราะอาศัยพระเถระนั่นดังนี้แล้วจึงระ บ, บาตของพระเถระไว้พระเถระแร ล, ล, ลดูพระศ า, าสดาพระศาสดาตรัสว่าโมคารนะ เธอจงพาภิกษุบริวารของเธอ500รูปกลับเถิดท่านมีรูปสิบถึง5้0นะตกลงว่าพระอยู่ร่วมดูแลการก่อสร้างประมาณ500รูปโยมแต่ว่าที่เป็นประธานจริงๆก็คือท่านพระหมหาโมคราณะนะท่านได้ทำตามพระดำรัส น, นั้นแล้วโอ้ไม่ได้เสด็จจาริกไปกับพระพุทธเจ้าเลยโยมด้วยอนุภาพของท่านพวกมนุษย์ ผู้ไปเพื่อต้องการไม้และเพื่อต้องการหินระยะทางแม้ตั้ง6อ่าห0าสิบหกสโยธก็ขนเอาไม้และหินมากมายมาทันในวันนั้นนั่นเองอจะแสดงว่าเป็นอนุภาพของฤทธิย์ยมแม้ยกไม้และหินใส่เกวียนก็ไม่ลำบากเลยพราวเกวียนก็ไม่หักต่อการไม่นานนักพวกเขาก็สร้างปราสาท 2ชั้นเสร็จปราสาทนั้นได้เป็นปราสาทประดับด้วยห้องพันห้องคือชั้นล่างห0 0รห้องชั้นบนห้าร้อยห้องอโยมเปรายบเป็นห้องแถวนะโยมนะพระศาสดาเสร็จดำเนินจาริกไปโดย9้าเดือนแล้วได้เสร็จกลับไปสู่กรุงสาวัตถีอีกอโยมตั้งแต่วันที่เสร็จออกโยม ใช้เวลาเก้าเดือนนะพระองค์ทรงกลับมาเมืองนี้อีกยมเมืองสาวัตถีก็คือเมืองของพระเจ้าประสิธิที่โกศลเมืองของอนน า, าบินิกาเศรษฐีนี่แหละนางให้สร้างยอดปราสาทอันจุน้ำได้ห0สม้อด้วยทองคําสีสุกที่บุกเป็นแท่งนั่นแหละนางได้ยินว่าพระาศาสดาเสด ไปยังเชตวันมหาวิหารก็คือวัดที่อนาตะบินทิกะเศรษฐีสร้างถวายนะจึงทําการต้อนรับนําพระาศาสดาไปวิหารของตนแล้วคือไปเสร็จต้อนรับพระพุทธเจ้าอารัธนานิมนตให้พระองค์ทรงมาประทับที่อารามแห่งใหม่ที่นางสร้างเสร็จนะคือวิหารบุพารามยมรับปฏิญญาว่าพระเจ้าข้าขอพระองค์ โปรดพาภิกษุสงประทับอยู่ในวิหารนี้แหละตลอด4เดือนนี้อโยมสเดือนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะคือในในเข้าวันสาโยมเข้าวันสาสมเดือนแล้วก็ช่วงกระถินอีกหนึ่งเดือนนะนะก็ทูลรัตนาให้พระเถรองทรงอยู่ที่คือประทับอยู่ที่วิหารในวัดนี้แหละไม่ต้องเสด็จจาริกไปไหนโยมมั่มฉันจักทําการฉลองปราศาท ฉลองปร า, าสาทสี่เดือนเลยโยมพระศาสดาทรงรับแล้วนางวิสาขาทำบุญฉลองวิหารจำเดิมแต่การนั้นนางวิสาขานั้นย่อมถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในวิหารนั่นแหละตั้งแต่วันเริ่มเข้าพรรษาเลยโยมครั้งนั้นหญิงสหายคนหนึ่งของนาง ถือผ้าผืนหนึ่งราคาหนึ่งพันมาแล้วกล่าวว่าสหายฉันอยากจะลาดผ้าผืนนี้โดยสังเกตว่าเครื่องลาดผื้นในปราสาทของท่านคือนวิสาขาก็ถือว่าร่ำรวยมากโยมสร้างปราสาทสองชั้นนี่ชั้นบนห้าร้อยห้องชั้นล่างห้าอยห้องนะจึง ถือว่าใช้ทรัพย์ไปมากมายโยมตั้งแต่ซื้อที่สร้างวิหารเนี่ยนะซื้อที่ก็9โกดโยมสร้างวิหารนี้ก็อีกกโกรนีนะทีนี้เพื่อนของนางวิสาขาก็อยากจะมาร่วมทำบุญด้วยแม้แต่เองอาจจะไม่ไม่รวยนะแต่ก็มีผ้าชั้นดีราคาตั้ง 1,000 บาทนะโยมเป็นผ้าราคาดีผ้าราคาแพงพอสมควรโยมอยากจะมาร่วมทำบุญกับ วัดใหม่ของนางวิสาขาเนี่ยโดยคิดเสียว่าผ้าผืนนี้ให้เป็นผ้าปูพื้นก็นแล้วกันนะก็มาขอทําบุญกับนางวิสาขาขอท่านช่วยบอกที่ลาดแก่ฉันเถิดอยากจะเอามาเป็นผ้าปูพื้นโยมนางวิสาขากล่าวว่าสหายถ้าฉันจะบอกแก่ท่านว่าโอกาสไม่มีท่านก็จักสำคัญว่าฉันไม่ปรารถนาจะให้โอกาสแก่ท่าน ท่านจงตรวจดูพื้นแห่งปร า, าสาทสองชั้นและห้องพันห้องแล้วรู้ที่ลาดเอาเองเถอ๋ออันนี้ก็ที่จริงนางวิสาขาก็เรียกว่าลาดผ้าปูพื้นไว้แทบจะทุกที่ไม่มีเว้นเนยนะก็บอกให้หญิงสายนี่ไปหาด้วยเองเธอนะอยากจะวางตรงไหนก็วางเลยนะหญิงสายนั้นถือผ้าราคาหนึ่งัน เที่ยวเดินตรวจในที่นั้นๆไม่เห็นผ้าที่มีราคาน้อยกว่าผ้าของตนนั้นแล้วก็ถึงความเสียใจว่าเราไม่ได้ส่วนบุญในปราสาทนี้ได้ยืนร้องไห้อยู่แล้วในที่แห่งหนึห่งโยมผ้าที่นางวิสาขาปูไว้โยมเป็นผ้าที่มีราคาเกินหนึ่งพันยมผ้ามีราคามากนะแต่ของนางเพียงแค่พันเดียวเนี่ย ไม่รู้จะไปปูตรงไหนมันเป็นเป็นผ้าที่ไร้ราคาจริงๆเมื่อเปรียบเทียบกับผ้าที่นางวิสาขาวางหรือว่าปูไว้อยู่ก่อนแล้วนะเสียใจมากโยมยืนร้องไห้เลยหาที่วางไม่ได้คิดว่าเราคงไม่มีส่วนร่วมในบุญกุศลในการสร้างวัด ท, ที่ที่นางฉลองฉลองวัดนะเดือนนี่นะก็ได้แอบยืนร้องไห้อยู่นะัดที่แห่งหนึ่งโยม ครั้งนั้นพระอานน์เทระเห็นหญิงนั้นจึงถามว่าร้องให้เพราะเหตุใดนางบอกเนื้อความนั้นแล้วพระเทระกล่าวว่าอย่าคิดเลยเราจะบอกที่ลาดให้แก่ท่านแล้วกล่าวว่าท่านจงลาดไว้ที่บันไดทําเป็นผ้าเช็ดเท้าภิกษุทั้งหลายล้างเท้าแล้วเช็ดเท้าที่ผ้านั้นก่อนจึงจะเข้าไปภายใน เมื่อเป็นเช่นนั้นผลเป็นอันมากก็จะมีแก่ท่านอืมโยมไปวางไว้ที่บันไดนะได้ยินว่าที่นั่นเป็นสถานที่อ น, นางวิสาขามิได้กําหนดไว้เออนางวิสาขาก็ลืมคิดเหมือนกันว่าเออตรงนี้เนี่ยควรจะปูผ้าลาดลาดผ้าเพื่อเอาไว้เช็ดเท้าให้กับพระที่จะเข้าไปในปราสาทนะฮะนางก็ลืมโยมไปปูแต่ที่ดีๆนะนางวิสาขา ได้ถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขในภายในวิหารตลอด4เดือนอโยมนะฉลอง4เดือนเลยนะโยมเนี่ยตั้งแต่วันเข้าวันสาถึงวันขึ้น15บ่ําเดือน12บสองมั้งนั้นเถอะโยมในวันสุดท้ายคงจะเป็นวันขึ้น15บ่ําเดือน12บงโยมวันสุดท้ายในรอบ4เดือนนะได้ถวายผ้าสาดกเพื่อทําจีวรแก่ภิกษุสงฆ์ ผ้าสาดกเพื่อทำจีวรที่ภิกษุใหม่ในสงได้แล้วมีราคาพันหนึ่งขนาดพระที่บวชใหม่อายุเรีวยกว่าพรรษาน้อยกว่าเพื่อนนะยังได้ผ้าราคาตั้งหนึ่งพันเอาไปทำจีวรโยมไม่ต้องพูดถึงว่าพระมหาเถระที่ท่านบวชมานานเนี่ยผ้าของท่านะจะเป็นผ้าชั้นดีขนาดไหนนะนางได้ถวายเพสัตวเต็มบาทแก่ภิกษุทุกรูปโยม จะเป็นพวกเนยใสในยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นเพภสัตว์ที่ฉันในเวลาวิการได้นะพวกนี้เก็บไว้ได้7วันโยมเนยใสในยข้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยเก็บไว้ฉันได้7วันนะเมื่อวันที่7ต้องสละสละทิ้งไปอย่าให้อารุณที่8ขึ้นมาพอสลัดไปแล้วเขาก็คือถ้ามีคนมาประเคนใหม่แเรวก็ฉันได้อีกนะแต่น้ําปณ ะ, ะนั้นต้องสลัดวันหนึ่งโยม แต่เพศสัตวนั้นสละ7วันสละภายใน7วันอายุของเพศสัตว์นั้นมีอยู่7วันแต่อายุของน้ำปณะที่ญาโยมได้ฟังไปนในวันก่อนมีอายุแค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งอายุไม่เหมือนกันนะแต่นี้นางก็ได้ถวายาเพศสัตว์เนี่ยพระแต่รูปแต่รูปเนี่ยได้เพศสัตว์ไปเต็มบาทเลยแล้วนั้นเถอะโยมทีนี้ ในเพราะการบริจาคทานรับได้หมดไปถึงเก้าโกรนางวิสาขาบริจาครั์ในพระพุทธศาสนาทั้งหมด27โกรคือในการซื้อที่ในการซื้อพื้นที่แห่งวิหาร9กโกรธคือที่ดินนะโยมในการสร้างวิหาร9กโกรในการฉลองวิหาร9โกรด้วยประการชนนี้ทั้งหมด 27โกรธโยมแต่ของท่านธนาถาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยโกรธนยโยมนะชื่อว่าการบริจาคเข็นปานนี้ย่ำไม่มีแก่หญิงอื่นผู้ดำรงอยู่ในภาวะแห่งสตรีอยู่ในเรือนของคนผู้มิชฉาทิฐิคิดว่าผู้หญิงที่จะบริจาคทรัพย์มากเท่ากับนางวิสาขาเนี่ย ไม่มีโยมไม่มีใครบริจาคทรัพย์เทียบเท่านางวิสาขาได้เลยแท่จริงท่านบอกตรง น, นี้ว่านางวิสาขานั้นเป็นหญิงสะภ้ยในเรือนของมิคาระเศรษฐีซึ่งเป็นมิจฉาทิฐิไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะเข้าไปเลื่อมใสในพวกศาสนาพราหมณ์นู่นยมแต่ตอนหลังเนี่ยนางวิสาขาได้ออกอุบายที่จะให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไป เสวยพระกยายหารที่ปร า, าสาทของนางแล้วก็พระบุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมะให้กับมิคาระเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อปู่ของนางวิสาขาเนี่ยไ ด, ได้บรรลุโยงได้บรรลุธรรมได้บรรลุธรรมเป็นปะุสดบันเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่อง ท, ที่ท่านเล่าไว้ในตอนต้นโยมซึ่งอาตมา ก, ก็ไม่ได้อ่านให้โยมฟังแ้วมาอ่านลัดเอาตรงตรงที่ว่านางได้บริจาคทานมากมายในการสร้างวิหารบุพารามนี่แหละโยมที น, นี้ข้อความต่อไปนะนางวิสาขาเปล่งอุทานในวันฉลองวิหารเสร็จในวันแห่งการฉลองวิหารเสร็จเวลาบ่ายนางวิสาขานั้น อันบุตรหลานแวดล้อมแล้วคิดว่าความปรารถนาใดๆของเราตั้งไว้แล้วในการกอนความปรารถนานั้นๆทั้งหมดเทียวถึงที่สุดแล้วเดินเวียนรอบปราสาทก็คือเวียนรอบวัดปราสาทได้คือว่าข้างล่าง500ห้องข้างบน500ห้องนั่นแหละโยมปราสาทก็นาวิสาขาเนี่ยมีทั้งหมดพันห้องโยมนางก็เดินเวียนรอบกับลูกกับหลานของนาง น, นนะ เรลงอุทานนี้ด้วยเสียงอันไพเราะด้วยคาถาห้าคาถาว่าคล้ายๆพูดเป็นกรอนยมแล้วก็เป็นทำนองเพลงไวยนะว่าความดำริของเราว่าเมื่อไรเราจกถวายปราสาทใหม่ฉาบด้วยปูนขาวและดินเป็นวิหารธานดังนี้บริบูรณ์แล้วความดำริของเราว่าเมื่อไรเราจกถวายเตียงตั้งฟูกหมอน เป็นเสนาสนพันธ์ดังนี้บริบูรณ์แล้วความดําริของเราว่าเมื่อไรเราจักถวายสรากัพพะผสมด้วยเนื้ออันสะอาดเป็นโภชนาทานดังนี้บริบูรณ์แล้วความดําริของเราว่าเมื่อไรเราจักถวายผ้ากาศิกพัทผ้าเปลืกไม้และผ้าไใยเป็นจีวรทานดังนี้บริบูรณ์แล้วความดําริ ของเราว่าเมื่อไรเราจักถวายเนยใสในยข้นน้ำมันน้ำผึ้งและน้าอ้อยเป็นเพศทานดังนี้บริบูรณ์แล้วนางคิดว่าความปรารถนาของนางเนี่ยเรียกว่าบริบูรณ์ทุกอย่างเลยโยมที่นางเคยตั้งความปรารถนามานะภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงของนางแล้วกราบทูลแด่พระาศาสดาว่าพระเจ้าค่ะ ชื่อว่าการขับร้องของนางวิสาขาพวกข้าพระองค์ไม่เคยเห็นในกาลนานประมาณเท่านี้ตั้งแต่อยู่กับนางวิสาขามาไม่เคยเห็นนางวิสาขาร้องเพลงเลยนะวันนี้นางอันบุตรและหลานแวดล้อมแล้วขับเพลงเดินเวียนรอบปราสาทดีของนางกำเริบหรือนอนแลอืยัคล้ายเป็นบ้านะดีกำเริบเป็นบ้านนะโยม ที่อยู่ก็มาเดินร้องเพลงรอบปร า, าสาทเนี่ยเป็นบ้าหรือเปล่าอันนี้พระก็สงสัยนะไปทูลถามพระพุทธเจ้าหรือนางเสียจริตเสียแล้วพระศ า, ศ, าศาสดาตรัสว่าภิกษุ ท, ทั้งหลายทิดาของเราหาขับเพลงไม่เออนางไม่ได้ร้องเพลงนะแต่อัจยาศัยส่วนตัวของเธอเต็มเปี่ยมแล้วอัจฉริยาสาัยคือความดําริความปรารถนาในการก่อนนะ เต็มเปี่ยมในวันนี้นะเธอดีใจว่าความปรารถนาที่เราตั้งไว้ถึงที่สุดแล้วจึงเดินเปล่งอุทานเดินเปล่งอุทานด้วยความดีใจไม่ใช่ร้องเพลงโยมเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าก็นางตั้งความปรารถนาไว้เมื่อไรพระเจ้าค่าจึงตรัสว่าจักฟังหรือภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุระนั้นกราบทูลว่าจักฟังพระเจ้าค่าจึงทรงนำ อธิริธานมาตรัสดังต่อไปนี้เป็นเรื่องอดีตชาติของนางวิสาขานะที่นางเคยทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อที่จะได้มาเป็นอุปถากพระพุทธเจ้าอุปถากพระอุปถากวัดได้มาสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยนางเคยตั้งความปรารถนาเอาไว้ตั้งแต่ก่อนนู่นโยมในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะี่นะอันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะทรงตรัส บุรภาพประวัติของนางวิสาขาพระผู้มีพระภากเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในที่สุดแสนกลับแต่กลับนี้ไปโอ้โหโยมแสนกลับนะพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุถุมุตระทรงอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกเรียกว่านับเป็นปีเป็นล้านเป็นหลายหลายล้านก็นับไม่ได้นับไม่ทวนยม ว, ว่าแสนกลับเนี่ยนานมากๆเลยนะ มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกชื่อว่าปุุมุตระยมพระองค์ได้มีพระชนมายุแสนปีมีภิกษุขีณาศพแสนหนึ่งเป็นบิวานนาครชื่อหังสวัดีนครที่พระองค์ทรงตัดสรู้รนะหรือว่าทรงประสูญโยมพระชนกเป็นพระราชาพระนามวาสุนันทะ พระชนนีเป็นพระเทวีพระนามว่าสุชาดาอุบาสิกาผู้เป็นยอดอุปถาของพระศ า, ศาสดาพระองค์นั้นทูลขอพรแปดประการแล้วตั้งอยู่ในฐานะดังมารดาคือเป็นแม่นะบำรุงพระศาสดาด้วยปัจจัยสี่ย่อาไปสู่ที่บำรุงทั้งเช้าและเย็นหมายถึงว่าอันนี้พูดถึงอุปถา ของพระบุทรเจ้าพระนามว่าปทุมุตระโยมหญิงสายคนหนึ่งของอุบาสิกานั้นอย่อมไปสู่อ๋อขออภัยหญิงสหายคนหนึ่งของอุบาสิกานั้นย่อม ไ, ไปวิหารกับอุบาสิกานั้นเป็นนิดอแสดงว่านางมีเพื่อนสนิทนนั้นโยมนะ ยิงนั้นเห็นอุบาสิกานั้นพูดกับพระาศาสดาด้วยความคุ้นเคยและเห็นความเป็นผู้สนิทสนมกับพระาศาสดาคิดว่าทำเธอทำกรรมอะไรหนอแลจึงเป็นผู้สนิทสนมกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายอย่างนี้ดังนี้แล้วจึงทูลถามพระาศาสดาว่าพระเจ้าข่าหญิงนี้เป็นอะไรแก่พระองค์พระาศาสดาตรัสว่า เป็นเลิศแห่งหญิงผู้อุปถายิกาหญิงนั้นก็ทูลว่าพระเจ้าค่านางกระทำกรรมอะไรจึงเป็นเลิศแห่งหญิงผู้เป็นอุปถายิกาพระศาสดาตรัสว่าเธอตั้งความปรารถนาไว้ตลอดแสนกับเวลาหมดอีกแล้วโยมอย่างไรโยมติดตามรับฟังตอนจบนะ ในวันต่อไปอารวันนี้ตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทาหน้าที่บรรยายทั้งข้อจากลายโยมผู้ฟังไปก่อนข้ออวยพรให้ายโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธินข็อเจริญพร